วันที่ยี่สิบสิงหาคมสองห้าสามแปดเป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าท่ันสาธุชนที่เคารพพระสูตรในวันนี้มีชื่อว่าธรรมกะหิกะสูตรในนี้พิมพ์เป็น ภาษาบาลีไม่มีสเสลึกคำว่าทำมกระถึกที่แปลว่าผู้กล่าวทำหรือผู้แสดงทำภาษาไทยเราใช้ทับศัพท์ว่าทำมกถึกทำมกถึกก็โคถึกนั่นคนละเรื่องกันนะโคถึกนั้นไม่ได้เกี่ยวกับภาษาบาลีแปลว่าโคที่ฮึกเขิมหรือโคที่มีกํำลังกมีกําลังมาก โครุนหนุ่มเรียกว่าเป็นโคลตึกป <c oughs> ระสูตนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของธรรมกถึกคือผู้แสดงธรรมหรือกล่าวถึงประเภทของผู้แสดงธรรมมีเนื้อความว่าสมัยหนึ่งก็ผู้มีประภาประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของท่านอนาตะวินธิกาเศรษฐีกรุงสาวกทีครั้งนั้นแลพิสูกรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันและถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าที่เรียกว่าธรรมกรถึกธรรมกรถึกดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดหนอจึงชื่อว่าธรรมกระถึก น, นี่เป็นการถามถึงคุณสมบัต ของผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมกระถึกท่านใช้คําว่าเหตุเหตุหมายถึงเหตุคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเป็นธรรมกระถึกนั่นเองจะผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความไหนเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับชราและมรณะควรจะกล่าวว่า ภิกษุธรรมกถึกบาลีว่าธรรมกะติโกคือผู้กล่าวถาักถ้าพระภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อความกายตาหนักเพื่อความดับชราและมรณะควรกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบาลีว่าธรรมมานุธรรมปฏิปันโนถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความหน่าย เพราะความคลายกาหนัดเพราะความดับเพราะความไม่ถือมั่นชาราและมรณะควรจะกล่าวว่าภิกสุบรรลุนิพพานในปัจจุบันทิ่จะทำมะนิพพานะพัตโตเราอ่านแค่นี้นะเอพออ่านถึงตรงนี้แล้วยังผมเนี่ยผมก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเออเราเป็นธรรมกึ่งถึงกระปาเรามีคุณสมบัติ อย่างนี้หรือไม่ท่านตอบแทนผมได้ไหมก็ต้องพิจารณากันโดยลําดับต่อไปเพราะว่าเรื่องของการเทศนาหรือทำที่กล่าวถึงการแสดงธํามเนีพระพุทธเจ้าโดยทรงกล่าวไว้ในที่ต่างๆมากอย่างผมจะอยกมากล่าวเทียบเคียงพูดให้ฟังเท่าที่จะพูดได้แต่สําหรับในสูตรนี้เนะี่ยหมดประเด็นได้ว่าที่ทรงตรัสถึง กถึกด้วยอำนาจของคุณสมบัติสามอย่างโดยสรุปดังต่อไปนี้คือในสูตรนี้นะผมได้ดูตกักถาดูอะไรต่ออะไรแล้วก็พอจะพูดธรรมะต่อไปได้ไม่ต้องเลิกเพราะว่าถ้าในนี้บอกว่าคนไม่เป็นพระอริยะห้ามพูดธรรมะล้วผมต้องเลิกเลยครับแต่ เนื้อความในสูตรนี้พูดถึงคุณสมบัติตั้งแต่เบื้องต้นคือไม่ได้เป็นพระรยะไปจนถึงเป็นพระอหลานโดยขมวดสรุปอย่างนี้ครับ <c oughs> พวกที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นผู้สอนเพื่อหลุดพน้น สอนเพื่อหลุดพ้นแต่ผู้สอนเนี่ยแต่หมายถึงแต่ผู้สอนมิได้ทำหรือปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ีนพวกหนึ่งสอนเพื่อหลุดพ้นแต่มิได้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ <c oughs> สองสอนเพื่อความหลุดพ้นและทมเพื่อความหลุดพ้นอยู่แต่ยังไม่หลุดพ้น <c oughs> สอนเพื่อหลุดพ้นนะแล้วก็ทาด้วย แต่ว่ายังไม่หลุดพ้น <c oughs> สามสอนเพื่อหลุดพ้นแล้วก็ทำเพื่อหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นแล้ว <c oughs> นี่มีอยู่สี่พวกสามพวกเขียน <c oughs> เอาเราเราเท่า น, นั้นนะหนึ่งสอนเพื่อความหลุดพ้นตอนในสูตรนี้นยะท่านมุ่งถึงการสอนเพื่อความหลุดพ้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นคุณสมบัติสำคัญหลุดพ้นก็หมายถึงหลุดพ้นไปสู่นิพพานเป็นสาระสาคัญต้องสอนพวกนี้ตามในย่าของสูตรนี้ จึงจะเป็นธรรมก็ถึกแต่ผู้สอนนั้น <c oughs> อาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพอได้เป็นพวกหนึ่งพวกที่สองสอนเพื่อความหลุดพ้นและตัวเองก็ปฏิบัติคือลงมือทำเพื่อความหลุดพ้นแต่ยังไม่หลุดพ้นสามสอนเพื่อความหลุดพ้นตัวเองก็ลงมือปฏิบัติ และเป็นผู้หลุดพ้นด้วยตัวเองมีสามพวกนี้นี่เราก็ามาดูในสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงในกรณีที่ภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อตรงนี้เป็นการประกาศวัตถุประสงค์ของการสอนซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าสอนเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำกว่านี้ไม่ได้ แต่ในสูตรนี้บอกว่าต้องสอนถึงระดับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ความเบื่อหน่ายข้อนี้เป็นการแสดงวัตถุประสงค์แก่พระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมว่ามีวัตถุประสงค์เช่นนี้หรือไม่ในข้อต่อไปที่บอกว่าปฏิบัติเพื่อความหน่าย หมายถึงภิกษุนั้นลงมือปฏิบัติเพื่อความไหนหรือเปล่าและคาว่าปฏิบัติเพื่อความไหนนั้นอัตถกาถาท่านก็ได้แกว่าหมายเอาการปฏิบัติตั้งต้นแต่ศีลจนถึงอรหันต์ก็หมายความว่าใครที่เป็นผู้รักษาศีลอันเป็นอธิศีล ที่อยู่ในคันลองในลำดับของความเป็นไปเพื่อทำที่สูงขึ้นในทางหลุดพ้นผู้นั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความหน่ายแล้วคือปฏิบัติอธิศีนหรือปฏิบัติอธิจิตใครที่รักษาศีลเพื่อความหน่ายแต่ยังไม่ได้หน่ายยังไม่ได้หลุดพ้นอะไรเลยก็ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความหน่ายหรือใครที่ปฏิบัติ จนกระทั่งไดยานชั้นสูงก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหนแม้จะยังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นทำที่สุดแทงปรมาจันทร์ก็ตามนี่เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งเรียกว่าธรรมานุธรรมปะปติปันโนถาว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความหมาย ก้างบางทีก็หมายถึงการปฏิบัติจิตภาวนาบางทีก็หมายต่ํากว่านั้นคือปฏิบัติศีลก็เรียกว่าปฏิปันโนและบางทีก็อาจจะหมายต่ำกว่านั้นคือการให้ทานก็เรียกว่าปฏิปันโนคือปฏิบัติา ท, ทานทาทานสงเคราะห์เป็นปฏิบัติเป็นแต่เพียงว่าเป็นปฏิบัตินอกทางแห่งวิธีการหลุดพ้นเท่านั้นเองลืมไม่ถึงระดับ เพื่อเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั้นเองทีนี้ในข้อความที่สามที่ท่านตรัสว่าภิกษุเป็นผู้ปเป็นผู้หลุดพ้นแล้วคือผู้สอนนั้นได้ลงมือปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจนกระทั่งปฏิบัติจนหลุดพ้นแล้วก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้นิพพานในปัจจุบัน คำว่านิพานในปัจจุบันเนี่ยหมายถึงบรรลุนิพานในชาตินี้เป็นโสดาบรรจนกระทั่งถึงเป็นพระอารหาันต์นะฮะเป็นอรหันต์ก็หมายความว่าจะอนุปปาทิเสสนิพานในชาตินี้ด้วยนั้นในสูตรนี้จึงแสดงโดยสรุปว่าการสอนธรรมที่ทรงกล่าวถึงนี้เป็นการสอนธรรมชั้นสูง สอนทำอันเป็นของเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นและผู้สอนนั้นก็จะต้องเดินตามเส้นทางนั้นด้วยและทำที่สุดให้ถึงเส้นทางนั้นก็จะเรียกว่ามีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุดแต่ถึงอย่างไรแม้จะยังไม่ได้บรรลุก็กล่าวว่าเป็นธรรมมากระถึกได้ขอให้มีความมุ่งหมายที่ถูกต้อง แล้วก็สอนธรรมะตามความมุ่งหมายนั้นให้ถูกตรงก็เป็นอันแยกได้ก็เป็นข้อความส่วนหลักสำคัญยอยู่ตรงนี้กลางนี้เนื้อความรายละเอียดบางส่วนบางจุดในข้อความเหล่านี้ที่ท่านกล่าวว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความอย่างไรนี่ผมอธิบายตามบทอธิบายตระถาทุกประการ คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยอัตถกาถาบอกว่าปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่นิพพานซึ่งก็คือศีลใดที่เป็นอธิศีลบุคคลปฏิบัติแล้วสมาทานแล้วศีล น, นั้นเป็นเส้นทางที่ควรแก่การไปถึงนิพพานแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลนิพพานกว่าสมาธิอันเป็นอธิจิต ที่จิตก็เป็นธรรมะธรรมานุธรรมะปฏิบัติที่บุคคลปฏิบัติแล้วควรแก่การไปนิพพานผู้ประพฤติวิปัสสนาอันถูกต้องเหมาะสมด้วยประการใดๆวิธีใดๆก็เป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติอันควรแก่นิพพานจนกระทั่งบรรลุยานชั้นสูงก่อนที่จะโหน่งอนิพพานมาเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าเป็นธรรมานุ ทำ ม, มาปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ท, ที่ควรแก่นิพพานเนี่ยคือธรรมานุธรร ม, มาปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าท่านวางผลเบื้องสูงกัเหตุเบื้องสูงนะผลชั้นสูงเหตุชั้นสูงเอาไว้ทำอันเป็นเหตุอันหนึ่งทำอันเป็นผลอันหนึ่งทำอันเป็นเหตุก็คือประพฤติทำ ทำที่เราประพฤตินั้นเป็นเหตุควรแก่ทรทมนั้นเป็นผลทมที่ใช้สองคำเนี่ยเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลอันหนึ่งกรณีถ้าเราจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอย่างนั้นคนประพฤติทำในชั้นต่ำกว่านี้คือไม่ได้มุ่งความหลุดพ้น พระพระพุทธเจา้าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อความสําเร็จประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมก็มีขั้นสัมปรายิกตถาประโยชน์ก็มีในสูตรนี้กล่าวถึงขั้นปรมัตาประโยชน์ถ้าต่ํากว่านี้ในกรณีสองอย่างเบื้องต้นเนี่ยใครที่ประพฤติทำเพื่อความสําเร็จประโยชน์สองขั้นก่อนหน้านี้เป็นธรรมานุธรรมาปฏิบัติไหม ตอบว่าเป็นนะเป็นในระดับนั้นในความหมายที่สูตรนี้ไม่ได้มุ่งกล่าวถึงแต่เป็นด้วยสงเคราะห์เป็นด้วยเหมือนกับคุณสมบัติของพระธรรมกถาถึกเนี่ยในสูตรนี้พูดถึงตรงจุดนี้แต่ในสูตรอื่นก็พูดในแง่อื่นด้วยควรจะได้ยกตัว อ, อย่างมาอธิบายเทียบให้ฟังต่อไปแต่ว่าตรงนี้พูดให้จบเนื้อความที่ควรจะต้องพูดก่อน ที่ท่านกล่าวถึงผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับสามคำเนี่ยคืออะไรคำว่าเพราะความหน่ายคือวิปัสนาที่ภาษาบาลีใช้คําว่านิพพานิพิธายะเป็นชื่อของวิปัสนาญาณ แล้วก็เพราะความคลายกำหนัดเป็นชื่อของมรรคขยานเพราะความดับเป็นชื่อของนิพพานอันเป็นเครื่องช่วยดับกิเลสเดับเนี่ยบาลีใช้คาว่านิโรธายะมรรคใช้คาว่าวิราขายะคลายกำหนัดวิราขายะนะดับคือนิโรธายะดับมีสองอย่าง ในที่นี้หมายเอาอย่างหนึ่งในสองอย่างดับอย่างแรกเรียกว่าขณะนิโรธดับอย่างหลังเรียกว่าอัจจันตะนิโรธขณะนิโรธหมายถึงดับเป็นขณะขณะเราก็มีกันอยู่ทุกคน อ่าตั้งขนาดดับที่เลสเป็นคราวๆก็ได้นามรูปดับเป็นขณะๆก็ได้แต่ในอัจฉริยะนิโรธเนี่ยหมายถึงดับอย่างถึงที่สุดก็คือดับหมดเหมือนเวลาก็ดับเปลืองเนี่ยดับให้ถึงที่สุดก็แปลว่าต้องดับไฟให้หมดจึงจะชื่อว่าดับอย่างถึงที่สุดเมื่อดับถึงที่สุดก็คือไม่กำเริบอีกไฟไม่คุกขึ้นมาอีก ในที่นี้หมายถึงอัจจันตานิโรธดับถึงที่สุดดับกิเลสหมดก็เจอนิพพานนิพพานเป็นอั จ, จันตานิโรธของผู้ที่ดับกิเลสถึงที่สุดแล้วก็ไปเจอกันพอดีเป็นพรมแดนประสานกันระหว่างการดับกิเลสกับพระนิพพานคนดับกิเลสยังไม่ได้นิพพานก็ไม่ปรากฏ คนดับกิเลสได้นิพานก็ปรากฏนิพานปรากฏแก่ผู้ใดปแปล ว, ว่าตรงจุดนั้นคนดับกิเลสได้เป็นเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็จะไม่เกิดอีกคือกิเลสไม่เกิดอีกนี่เป็นเรนือความที่กล่าวถึงในส่วนหลักๆในที่นี้เพราะนั้นการสอนสอนเพื่อนนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับก็หมายความอย่างนี้นะ ตอนนี้คำว่าเพราะไม่ถือมัน่นคำว่าไม่ถือมั่นคือไม่มีอุปาทานดับอุปาทานแล้วท่านขยายว่าไม่ถือมั่นในอะไรปรากฏว่าในสูตรนี้กล่าวว่าไม่ถือมัน่นในชาลาและมรณะแล้วก็ถอยย้อนขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาวิจารน่าแปลกครับว่าเราเนี่ย ถือมั่นชาลาถือมั่นมรณะจริงหรืออุปาทานคือคื อ, อคือตัณหาอุปาทานนะความยึดติดเนี่ยเรายึดติดชาลาและมรณะจริงหรือถ้าตอบว่าจริงเนี่ยมันจะไม่ขัดกับความรู้สึกธรรมดาของเราหรือถามว่าเราชอบชอบยึดถือ ความชลาของเราไหมเราชอบเรายึดเราถือความตายของเราไหมหรือเราไม่ชอบเราไม่ยึดเราไม่ถือเพราะมันไม่น่าชอใจเลยนี่จริงๆแล้วนะทางหลักธรรมะถือว่าเราเนี่ยยังยึดถือยึดติดด้วยตัณหามาหน้าทิศติทั้งความเห็นผิดทั้งตัณหาเราติดถ้าถามว่าเวลาเราตายเวลาคนอื่นตายทำไมถึงเสียใจ ทำไมเราตายทำไมคนอื่นตายบางครั้งเราก็รู้สึกจะยินดีพอใจนะแล้วก็ความแก่ชราของเราเนี่ยเราไม่ชอบจริงๆหรือชอบไหมถ้าสมมุติเรามีอายุอนามพอสมควรมีเด็กๆมันไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราบอกว่าจะเท่ากันแหละผมอายุสิกผมก็มอง มองเห็นคุณปู่อายุสิบกเล่ากันแล้วจะรูปหัวรูปอะไรก็ได้นะเรา ก, <laughs> ก็ถืออีกอะใช่มเราเพราะนไอ้ที่เราไว้ผมไว้เป้าตามบุคลิกของคนที่มีอายุอนามในระยะนั้นๆมันแก่ตั้งนั้นนะ่ะแก่อันนี้พูดถึงแก่อย่างเขายังหยับๆยาก่อนแก่อย่างโลกกโบวหารก่อนเนี่ยเราก็ยึดถือทั้งสิ้นเพราะนั้นถ้า เห็นเขบอกว่าพวกเทวดาบางพวกเนี่ยตายตอนแก่ก็ไปเกิดเป็นอย่างแก่ถ้าติดความแก่ติดบุคลิกคนแก่นะริงเป็นพระแล้วก็ตายมอลหน้าภาพในพระเหลืองไวัยไหนก็ไปแก่อย่างั้นแหละด้วยความติดบุคลิกของความเป็นผู้มีอายุขนาดนั้นมันเป็นความติดเราเนี่ยพูดง่ายว่าไอ้จริงจริงเน่ะชีวิตเราเนี่ยมันเคลื่อนไปถึงจุดไหนจุดไหน เราไม่เคยเลิกติดเลิกยึดเลยสักเวลาเดียวจริงไหมเรา ค, คิดไหมว่าเราอายุมากขึ้นนั้นเราติดตัวเองหลงตัวเองน้อยกว่าเมื่อเราอายุน้อยคิดอย่างนั้นไหมหรือเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเอานี่เราก็ดูมาถึงตัวเองเนี่ยเพียงแต่เราในอยากเป็นอย่างงุ้นอยากเป็นอย่างนี้ ไอความอยากในรูโฉมไปเนอะแต่ไอเนื้อตัวเราจริงๆที่มันเป็นแล้มก็ต้องติดตั้งยึดถ้าจะให้ผมสํารวจตัวเองว่าเมื่อสมัยผมอายุยังไม่น้อยกว่า น, นี้กระเดี๋ยวนี้ผมติดตัวเองเท่าเก่าไหมรู้สึกต่อตัวเองเท่าเก่าไหมอ้าวไอไม่เท่าอย่าไปเอาเหตุอื่นมาแปรนะเราก็เท่าเก่านะเอาเหตุในส่วนตัว เนื้อในหลักๆเนี่ยมันเท่ากับตัวเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ขันธของเราเนี่ยมันแก่ชะลาเดี๋ยวนี้มันแก่ชะลาแล้วเราก็จําใจจะต้องรักตัวเองอย่างความแก่ชะลาไปถึงไปเกิดใหม่เป็นเด็กเป็นเล็กเราก็ก็รักไปเหว่าแต่แก่เลยไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเราก็ยงปูกพันยึดติด อยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายนะฮะไอ้ที่ที่เราเห็นได้ภายนอกแล้วก็ความเกิดแก่เป็นขนาดขนาที่เราเห็นได้ไอะที่เราเห็นไม่ได้มันก็ถูกยึดถือแบบอนุโลมทางความรู้สึกไปด้วยประการเช่นนั้นเหมือนกันนี่คือความยึดถือเพราะนั้นปฏิจจทุกทุกองเนี่ยมันก็คือนามรูปที่ถูกแยกส่วน ไปเป็นตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเราติดทั้งนั้นอวิชชาของเราเราก็ติดกิเลสของเราตัวอื่นๆเราก็ติดบุญเราก็ติดความบาปเราก็ติดผลบุญผลบาปเราก็ติดไอความคิดเราเนี่ยบางทีมันเหมือนขัดแย้งกันเรานึกว่าเราเราไม่ติดแต่เราติด อย่างเช่นบอกว่าอักุระสนุยบากเนี่ยเราไม่ชอบเราคิดว่าเราไม่ชอบในบางความคิดนะ่แต่เอาข้อจริงเนี่ยเราก็ชอบความยึดติดความเห็นผิดอะไรรมันเข้าไปเกี่ยวก้องมันเหมือนกับคนเมียวายวะแล้วก็เกิดอักุศะสนุยบากเบียดเบียดเราก็ว่าเราก็ไม่ชอบ แต่ไอจะตัดทิ้งอะไรทิ้งมันก็มันก็ต้องฝืนความรู้สึกไม่ใช่น้อยนะหรือว่าเอาเป็นว่าถ้าใครคนใดถ้าเป็นตัดเดรัจฉานเอาเงี้แลวกันอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดจากองค์วุนีบาแต่เขาก็ยึดติดใช่ไหมฮะเขายึดถือเพราะฉะนั้นไอกิเลสคือตัวยึดติดเนี่ยมันติดแบบทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือ แต่ความเคลื่อนไหวของไอกิเลส ช, ชั้นนอกเนี่ยมันชอบบางชังบ้างไม่รู้ว่าชอบหรือไม่เหมือนเหมือนกับคนที่พ่อแม่ที่รักลูกพ่อแม่คีโมโหที่รักลูกนะบางทีก็ทาเหมือนแม่รักลูกจนลูกเข้าใจว่าแม่รักตัวแต่ความจริงรักไหมที่เห็นด่าลูกเห็นขับไล่พูดจาสาดเสียเทเสียอลองลองไปขอลูกพอถึงเขาไม่ให้อะ บอกว่าจะไม่เอาเลยเนี่ยจะฆ่าทิ้งทุกวันเนี่ยขอเหะไม่เอาไม่ยอมฉันกบอกว่าเคยที่เคยล่ายฟังแล้วแล้วก็ดู้พฤติกรรมบางทีอพ่อแม่ลูกเนี่ยนะบางทีก็ไอนั่งไว้บนรถเมย์เนี่ยไอ้ลูกก็โซนบางคนมันโซนผิดปกติอไอ้แมก่ก็ทั้งจิกทั้งตีทั้งบนบนเล่นรถบนรถเมยนะฮะเจทั้งไอ้ลูกมันก็น้อยจกน้อยใจนะมันพอรู้ความ แต่พอแม่จะลงเขาแทนที่มันจะนั่งเฉยบนรถเมมันตามด็กจะลงไปโดยลงไปทะเลาะกันต่อร่างแค่เราก็เห็นว่าอคนเรานี่มันก็แปลกเลยมันนึกถึงไอ้พฤติกรรมเราเนี่ยเรารักหรือเราชังกันแน่ความคิดมันสับสนอลรมานแต่ว่าในทางหลักเนี่ยคือความคิดชั้นลึกหนะตัณหามันเข้ากากกลุ่ม ปตนามันเข้ากาะกุูเนี่ยมันอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันสมใจอยากตัณหามันก็ยึดอะไรเข้ามาไม่สนใจอ่ะมันก็ตามท่าไม่เจาะแต่ว่ามันยึดขึ้นมนอยู่ไม่ใช่ไม่ยึดทั้งความดีความชั่วสิ่งดีสิ่งไม่ดีเรายึดทั้งนั้นไม่ได้ขัดกับข้อเท็จจริงได้อย่างไดเอาละอันนี้ว่าถึงเนื้อความต่อๆไปของสูตร ที่กล่าวถึงองค์ปฏิจจกข้ออื่นนั่นเหมือนกันครับเป็นการกล่าวถึงทุก <c oughs> ปฏิจจกที่ถูกยึดในมีฐานะเป็นทุกตันหาที่เป็นตัวยึดมีฐานะเป็นสมูทยัยเพราะฉะนั้นเหตุให้เกิดทุกเนี่ยอาการของมันก็แค่เข้าไปยึดนั่นแหละคือเหตุให้เกิดทุกเหมือนกับเครื่องดับทุกอาการดับของมันก็แค่เข้าไปรู้ และนั่นแหละก็คือการดักไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้พูดอย่างธรรมดาเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรดูง่ายๆนะแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็โปรดยากหรือทำให้เกิดยากยได้กันทั้งสองฝ่ายเอาละผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมเป็นการขยายเทียบเทียงกันในสูตรอื่นว่า เรื่องการแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนในสูตรนี้โดยมุ่งเอาความมุ่งหมายของผู้สอนเป็นสาระสำคัญแล้วก็ต่อเติมด้วยคุณสมบัติของผู้สอนตามความมุ่งหมายนั้นเป็นส่วนประกอบต่อเติมความมุ่งหมายคือมุ่งหมายสอนไว้ให้ผู้ฟังได้รับความสำเร็จในทางสูง แล้วก็ผู้สอนนั้นก็สนใจปฏิบัติลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วได้รับผลลัพธ์ด้วยในสิ่งสูงนั้นนี่คือความเป็นธรรมกศึกอย่างที่ทรงหมายในสูตรนี้ก็เรียกว่าเอาความมุ่งหมายเป็นตัวหลักตัวในสูตรอื่นเนี่ยบางทีท่านเอาเอาวิธีการสอนเป็น เรื่องสำคัญของสูตรนั้นในที่อื่นบางแห่งก็ทรงแสดงคุณของผู้สอนหมายถึงคุณธรรมของผู้สอนว่าจะต้องประกอบไปคุณธรรมยางไงผมจะลองยกเนื้อความประสูตรสูตรหนึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม2ี่สิบที่ท่านบอกว่าดูก่อนอานนท์ ผู้พิจารณาเห็นประโยชน์สามอย่างควรอย่างยิ่งที่จะแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นประโยชน์สามอย่างเป็นช่ไหนหนึ่งผู้แสดงรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมสอง ผู้แสดงอาจารโทษว่าผู้ฟังรู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำสามทั้งผู้แสดงรู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำอัตถาปฏิสังเวสีธรรมะปฏิสังเวสีนะอา้าวคราวนี้เราก็เท่ากันแล้วเท่ากันหมายความว่าอย่ามาโทษผมว่ารู้แจ้งอัดหรือไม่รู้แจ้งอัดเพราะในนี้ท่านบอกว่าคนฟังด้วย ในที่นี้นะมันมีเป็นสองกรณีกรณีหนึ่งคือจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำตามหลักที่ตัวสอนตามหลักที่ตัวฟังเพราะว่าการสอนธรรมในบางทีก็สอนเพื่อเป็นแดนหลุดพ้นที่เรียกว่าเป็นวิมุตตายตนะสอนเพื่อให้ตัวหลุดพ้นนะ แล้วก็หลุดพ้นเพราะการสอนเหมือนกับคนฟังฟังแล้วก็หลุดพ้นเพราะการฟังในที่ฟังมันเป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายนี่ในกรณีของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้รู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าผู้ฟังนั้นรู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำมาก่อนแล้วแล้วก็มาฟังธรรมจะถือว่าเป็นผู้ที่เหมาะแก่การที่จะเลื่อนระดับธรรม ถ้ารู้แจ้งอัดแจ้งทําในขั้นต่ําๆนะครับจริงแจ้งไว้รายละเอียดเยอะแต่นี่คงย้ำไม่พอที่จะพูดเอาเป็นคร่าวๆว่าเราจะเลื่อนระดับขึ้นไปจากทุนเดิมที่เรารู้อยู่แล้วบางทีคนพูดกับคนฟังอาจจะรู้พอฟัดพอเวี่ยงกันบางทีคนพูดอาจจะรู้น้อยกว่าคนฟังอย่างเช่นที่นี่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะรู้น้อยกว่าคนฟังหลายๆคนคนรหลายคนเนี่ย ในยุตจักเจนจบมานานเนี่บางคนก็อาจผู้แสดงถารมคนอาจจะรู้มากกว่าคนฟังก็ได้บางทีก็รู้ร่พอกันแล้วสมมุติว่าอย่า ง, อ ย, างอย่างกรณีอย่างบางคนเนี่ยไม่ยกว่าไกลกันบางทีก็ไปพูดต่อหน้าคนที่เรียกว่าเป็นนักเผยแผ่เดวยกันบางทีก็ไปไปแสดงความคิดเห็นหรือไปพูดต่อหน้าคนที่ก็เป็นบุรพาจารย์รุ่นเก่าก่อนตัวนะมีความรู้มากกว่าตัวอย่างนี้นะ ก็ไปพูดเนี่ยแตอย่างนี้ก็มันก็เป็นไปได้เลยทีเดียวว่าอผู้แสดงธรรมเนี่ยบางทีก็รู้มากรู้น้อยกว่าคนที่ฟังพระพุธทธเจ้าบางนี้ก็ฟังธรรมะที่คนอื่นแสดงใช่ไหมใครรู้มากกว่ากันพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้มากกว่าทีนี้ธรรมะเนี่ยนะผมอยากจะเน้นไว้อย่างหนึ่งว่าเอาผมเนี่ยได้รับคําถามที่ผมไม่รู้จะตอบยังไงให้เขาเกิดความซาบซึ้งเวลาไปพูดให้พวกนี้ติ์ฟัง ผมเมื่อคืนก็ได้รับคําตอบนี้ด้วยแล้วเคยได้รับคําถามไม่จะได้รับคําตอบได้รับคำถามมา่ที่ละคือเขาก็คง <c oughs> ไปฟังครูบาอาจารย์อ่านอะไรกันมาอย่างนี้นะเขาบอกว่ามรรคแปดเนี่ยสําคัญมากแต่เขาคิดเท่าไหร่เท่าไหร่อ่านเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ยังไม่เห็นมันสําคัญอย่างที่คุยเลย<笑><笑><笑>ใช่มหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยช่วยอธิบายให้เขาเห็นว่ามันสําคัญอย่างที่ว่าหน่อยด้วยนะ เราก็เห็นใจจริงๆว่ามันสำคัญจริงๆเอ้แล้วเราจะพูดอีท่านไหนเราก็บอกว่าเรื่องนี้นะธรรมะบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนอย่างที่ก่อนเข้าห้องคนถามเมืองไครนึกไปใช่ไหมที่ถามเนี่ยพูดสองสำ ค, คำพูดได้แต่ถ้าจะมาตั้งหลักกันว่าพูดแล้วให้เขาเกิดความเข้าใจชัดเจนเกิดความทราบซึ่งเนี่ย บางทีมันพูดแล้วมันต้องทิ้งไว้ห้าปีแล้วให้เขาไปทําไปศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนหาพื้นฐานก่อนทีถ้าบางคนที่รู้พื้นฐานดีอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าเราพูดข้อสังเกตบางอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยให้คนที่อ่านพระไตรปิฎกอยู่แล้วสอนอยู่แล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะพูดแล้วก็จะเห็นภาพปฏิปปต่อซาบซึ้งกว่าคนที่ไม่ได้สัมผัสพระไตรปิฎกหรือบางเรื่องเนี่ย สมมติว่าท่านไปปฏิบัติกรรมาฐานกันมาสิบวันยี่สิบวันเมื่อก่อนไม่เคยล้วไปปฏิบัติแล้วออกมาออกจากข้องกรรมาฐานมาแล้วมาฟังบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นโดยที่ว่าผู้พูดอาจจะเคยผ่านมาก่อนหรือผ่านมาสูงกว่าเพราะใกล้ๆ ก, กันก็แล้วแต่แล้วพูดให้ฟังรับรองจะเกิดความทราบซึ้งแล้วไม่ต้องพูดมาก ยิงมากก็ยิงสาบซึ้งกันนะแต่มากไปจริงก็ลงคานหาว่าพูดมากไปเพราะฉะนั้นเครื่องรองรับในการทาฟังธรรมะเนี่ยจึงอยู่ที่คนพูดนะส่วนหนึ่งคนฟังส่วนหนึ่งด้วยที่จะต่อเติมอะไรกันขึ้นไปหรือจะเกิดปีติปราโมทถ้าสมมติว่าคน บรรลุอยู่คนเดียวคนฟังไม่ไม่บรรลุเลยนิพานเป็นยังไงไม่รู้พูดไปเถอะครับพูดเท่าไหร่เท่าไหร่คนก็พากันเบื่อหน่ายกันหมดเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละที่แต่ละแห่งอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็พยายามจะให้ธรรมะหลายหลายแบบเป็นประโยชน์แก่คนแต่ละแต่ละระดับบางเรื่องเนี่ยครับคนบางที่ตามมาฟังครั้งเดียวเก็ตเลยไป ม, มาเลย อที่พอสรอเงอี่เป็นต้นมันมันเจอเรื่องหหเขาไม่ไม่ต้องการไม่อยากได้ไม่รู้จะได้อะไรขึ้นมาเขาทําเขามีปัญหาเขาก็โหก็หนักอยู่แล้วมาฟังเรื่องอะไรก็ไม่รู้กลับไปแล้วก็คงจะดูชีวิตจะล้มเหลวหนักยิ่งขึ้นนะนั่นอย่างเขาต้องไปฟังบางเรื่องแต่บางคนเนี่ยพอไปฟังบางเรื่องเขาหัวน้ําร่วงทุง่งบอกบุ้งหลงเหลว ก็ก็จะฟังเอาอย่างอื่นก็ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้ามูว่าคนแสดงเราคิดว่าไอเราชอบเรื่องอะไรเราจ ะ, ะแสดงเรื่องนั้นเราก็อาจจะพูดไปเรื่องเดียวพูดเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่เอาพูดเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่เอาอะไรอย่างนี้นี่ยนี่ถ้าเราพูดเพราะว่านึกถึงความจําเป็นของคนเราก็อาจจะพูดให้เหมาะกับคนเขาที่นั่นที่นี่ เพราะว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่ตัวสนใจคือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวตัวเข้าใจนะไ อ, ไอตรงนี้ผมไม่ได้ปแปล ว, ว่าเห็นแก่ตัวหรอนะมันเป็นธรรมดาของคนทั้งเหมือนกันนั้นบางคนเนี่ยอย่างเช่นว่าหัวเมยคู่หนึ่งทำธุรกิจเจ๊งมาตลอดจนกระทั่งจะไม่ค้าจะ ไม่นับถือคนอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากคบคนแล้วมันโกงเราเรอยมันเอาเปรียบเราเลยปลาโจงปลาจ้าแล้วก็จะไม่เอาแล้วทีนี้ไอ้อย่างนี้อะเรานี่ัก็เป็นรื่องจริงอะว่ามีคนหนึ่งก็ไปถึงกับตัวเองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนอะวยอะไรตอนหลังไอ้ตัวคนนีกก้ก็มาเข้าวัดเข้าวัดแล้วก็กมามีความสุข ก็อยากจะให้เพื่อนเขามาก็ไปถึงเจอหน้าเพื่อนอนนะในหัวมั น, มนไม่ได้มีเวลาจะมาคิดเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเรื่องงานหูมันเรื่องท ร, รมานตัวเองต้องหลบต้องหนีลูกหนีต้องหลบลงหนีอะไรกันยุ่วุ่นวานยะนี่จะมาชวนไปฟังธรรมะชวนไปปฏิบัติธรรมกลายเป็นว่าเอาภาระมาเพิ่มให้เขา ไอคนชวนเนี่ยก็ชวนแต่จนกระทั่งลืมไปว่าชวนเนี่ยพรต้องการจะสงเคราะห์เขาทำไปทำมาเลยมันมากลายเป็นเรื่องเอาแพราชนะกันทางความคิดไม่ประสบความสาเร็จทั้งที่ธรรมะ น, นี่ยมันช่วยก็ได้แต่ว่าเรียกว่าชวนไว้เป็นก็พามาคุยกันมันก็เป็นเรื่องบังเอิญ น, นะ วันนั้นก็ไปคุยกันกไปเลี้ยงอาหารการกินกันที่หนึ่งเราก็ก็ก็อยากแค่คุยด้วยแล้วก็ไปคุยเราก็คุยก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะไปคุยแล้วมันเข้าชีวิตเขาลงคือในวันเขาบอกมาบอกอาจารย์เขาจะไปเข้ากรรมาฐานเนะี่ยอย่าไปเข้ากรรมาฐานนะทนั้งที่เขาเนี่ยชวนสารพัดเข้าวัดฟังเทศท น, น์ฟังธรรมขนาดวันนั้นมาชวนฟังผมเขาบอกว่า โอ้ยฟังธรรมะมต้องฟังพระขนาดพระผมยังจะเลิกฟังแล้วจะมาชวนผมไปฟังโยมไปฟังฆราวาสนะเขาบอกลองไปไอ้นี่เราก็ไม่รู้เขามาเล่าฟังดีหลังลองไปฟังเถอะฟังแล้วเขาจะคิดยังไงก็ไม่ได้คุยกับเขานะแต่ก็คุยกับเรื่องอื่นแต่ก็ดีว่าเขาก็ชักเริ่มเห็นทางว่าธรรมะเนี่ยช่วยเขาได้เราไม่ได้ไปคุยว่าโอยเรื่องนี้ถูกนะคุณ อย่างงู้นอย่า ง, งนี้คุณไม่ดีคือเรามันไม่จําเป็นต้องพูดเลยถ้าเราคิดว่าทำ ม, มาชัว่วก็ได้เราก็พูดเล่าไปตามแล้วก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจว่าเขาจะมาหรือไม่มาเพียงแต่บอกถ้ามันไปตรงกับความต้องการเขาก็มานี่เป็นเรื่องจริงจร ข, ของของบุคคลการนี้เรามาพูดถึง <c oughs> อีกสูตรนึงสูตรเมื่อกี้นะผมอธิบายเป็นข่าวคลาแค่นั้นแปลวว่าสรุป ก, ก็คือธรรมะ ต้องมีคุณสมบัติหล่องลับทางภูมิปัญญาเป็นเครื่องหล่องลับผู้จะแสดงธรรมก็ต้องมีภูมิปัญญาที่จะนำเสนอใน <c oughs> อีกสูตรหนึ่งชื่อว่าอุทายีสูตรนี่วงกัดมาเล่ายอยให้ฟังคือว่าสูตรนี้น่ะเบื้องต้นของสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มยิบสาม พระอนนท์มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคหลังจากไปเห็นพระอุทายีนะฮะอ๋ออันนี้เป็นเล่าประกอบไม่มีในนี้หรอกเล่าประกอบเรื่องเรื่องทําปกติกให้ฟังจะได้ให้เห็นภาพคงกว่าน ะ, ะสูตรเมื่อกี้นะ่ะเป็นเรื่องของสาระของตัวผู้แสดงแล้วก็โยงไปถึงผู้ฟังนะสูตรที่ที่เอามาเล่าประกอบนะ แต่สูตรธรรมกัทถกที่เราพูดถึงเนี่ยยืนสาระอยู่ที่ตัวผู้แสดงนะพระสูตรที่เอามาประกอบให้ฟังสูตรแรกที่ใช้คําว่าปัจยาวัฏตสูตรเนี่ยยืนสาระอยู่ที่ตัวผู้แสดงและตัวผู้ฟังด้วยกรนี้อุทายีสูตรที่จะยกมาเล่าประกอบเนี่ยคือพระอุทายีเนะวันนั้นท่านแสดงธรรมค้นฟังแน่นกันหนะัก พระอานนท์ก็ผ่านไปเห็นเข้าไม่ได้ไปขาดคออะไรหรอกครับผมยังไม่แน่ใจนะฮะตังถาไม่ได้แก่แต่ว่าเคยอ่านในธรรมบทเนี่ยบอกว่าอุทายีเนี่ยมีหลายองค์องค์หนึ่งชื่อว่าพระโลลุทายีแล้วว่าอุทายีโลเลหลงตัวเองสำคัญว่าตัวเองเนี่ยเป็นอรมมกัึกเกง่งถึงกับไปท้าทายภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะเทศแข่งกันนะ ก็ก็เคยทําแล้วก็เกิดเรื่องชนตลกขบขันมาอย่างที่เราในธรรมบทอองค์องค์ง น, นี้นะชื่ออุทายีแสดงธรรมต่อหน้าคนไป น, นั้นมากจะเป็นอาจจะไม่ใช่องค์นั้นเป็นอุทายีอรหันต์ก็ได้ท่านแสดงธรรมอยู่ที่เมืองโกสัมพีตอนที่พระเจ้าประทับอยู่ที่โ ก, โ ก, โกสิโคสตารามตานนก็มาทุนให้พระผู้มีพรภาคว่า ได้เห็นท่านอุทายีแสดงธรรมควรฟังแน่นขนาดพระผู้มีภาคตรัดว่าดูก่อนอ น, นุนการแสดงธรรมไม่ใช่ของธรรมได้ง่ายนะทุกครั้งพูดถึงนี้คนแสดงธรรมอยู่แล้วก็น่าบานนะไม่ใช่ของธรรมได้ง่ายภิกษุเมื่อแสดงธรรมหรือธรรมกระตุกเมื่อแสดงธรรมควรตั้งธรรม หประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นหนึ่งเราจะแสดงธรรมไปตามลําดับสองเราจะแสดงธรรมอ้างเหตุผลสเราจะแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดูสเราจะเป็นผู้ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรมหเราจัก ไม่แสดงทำกระทบตนและผู้อื่นั้งห้าข้อเนี่ยมีบทอธิบายดีๆเยอะเลยก็คงจะสรุปสรุปแล้วก็เลือกพูดบางตัวสำหรับข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยเป็นวิธีนำเสนอแสดงตามลำดับกับอ้างเหตุผลคำว่าลำดับเนี่ยมันมีหลายแบบลำดับโดย วิธีปฏิบัติโดยขั้นตอนตัองการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นลำดับแล้วก็ลำดับโดยคำนึงถึงความพร้อมรับในทางความเข้าใจของคนก็มีลำดับอีกแบบนึงที่บอกงามเบื้องต้นตามกลางที่สุดอันนี้อธิบายได้เยอะอ้างเหตุผลก็เป็นเรื่องที่ แม้ไม่อธิบายก็จะบอกกระจได้ตอนนี้ข้อที่บอกว่าอาศัยความเอ็นดูเนี่ยข้อนี้หมายถึงเมตตาความปรารถนาดีบางทีมันก็พูดง่ายแต่ว่าที่คนจะทําเนี่ยทําอย่างถึงสมบูรณ์เนี่ยทํายากอย่างพระพุทธเจ้าหรือผู้มีเมตตาเนี่ยมีเมตตามีกรุณาผมอ่านแล้วผมคนนึงก็เออก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยผมเกิดความคิดเน่ยผมสงสารคนที่เข้ามาฟังเหลือเกิน ผมไม่ไปไม่ได้ถ้าไม่ไปพูดแล้วเขาจะเป็นจะตายครั้งนี้พูดเป็นทำรองความรู้สึกนะเรามีอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเราปรารถนาดีว่าอย่างไงเรารักคนที่เข้ามาฟังทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็สอบแต่ว่ามันมีหลักอันหนึ่งก็ที่จริงนหนึ่งว่าความสงสารความเห็นใจของคนเนี่ยของผูด้แสดงอย่างของผู้แต่งมันมีระดับที่แยบยนต์ไม่เหมือนกัน แล้วบางคนเนี่ยมีอยู่บางคนที่ผมเกิดมาไม่เคยแสดงธรรมแก่ใครเป็นการส่วนตัวยังไม่เป็นเวลามเวลาขนาด น, นี้นะแต่มันมันจบไปแล้วเนี่ยไม่มันจบไปแล้ ว, นะลวคือโอ้โหพูดกันบางทีผมก็ยังนึกเสียดายน่าจะอัดเทปไว้บางทีก็เป็นความคิดดีๆอะไรหลายอย่างนะที่เขาถามเราก็บอกออกไปขึ้นรถก็เทสกินข้าวก็เทส กลางค่ำกลางคืนอะไรอไรจังหวะได้โอกาสนี่เขาต้องการพึ่งพาธรรมะเนี่ยกูโห้ยพูดกันไม่เคยพูดอะไรกับใครมากขนาดนี้มีอยู่หลายนะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็มีอยู่คนเราต้องรับเป็นธรรมกรตุกเป็นการส่วนตัวคนที่เขามีความทุกข์วิเศษแต่ก็นัดกันแค่อาทิตย์ละครั้งเดียว อาทิตนี้เป็นครั้งที่สี่แต่คงจะจบแล้วหมดความการุณาแล้วคือมายถึงพลังความกรุณามีแค่นั้นแล้วก็คอยดูกันต่อไปให้เขาพยายามพึ่งตัวเองให้มากหน่อยมันไม่ได้แปลว่าเขาทําอะไรไม่ดีให้เราหมดตรุณานนะแต่หมายว่าเราว่าไปตามเงื่อนไขที่จะเป็นไปได้ตามสภาพจะให้เขาตามไปฟังที่บงธิบาลนั้นก็ไม่เหมาะหนึ่งเหมือนกับอีกลายเมื่อกี้เนี่ย นี่คือความกรุณาเพราะฉะนั้นคนเนี่ยถ้าบอกว่าเราเราแนะนำด้วยความปรารถนาดีถ้าปรารถนาดีจริงๆเนี่ยนะไม่ได้คิดในแง่ที่จะแม้แต่จะมาเอาจะนงเอาจะนาอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจเหมือนอย่างเมื่อกี้คุยกันถึงต้เด็ดยาที่ทันตรัสถ้าเราฟังดังวิทยุทางดังทีวี ชาบ้านพวกเราคุณลูกแหมเป็นพระมหากรุณาห่วงใยในพระสุขภาพอนานามาใหม่แต่ท่านตรัสว่าไงท่าน ไ, ได้เห็นว่าเป็นบุญคุณอะไรที่จะต้องหมักใครจะต้องมาคิดมันเป็นความสุขเป็นความสุขของฉันที่ได้ทําอย่างนี้ํานองว่าท่านไม่ได้ทําอย่างนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขเท่าไหร่หรอกต้องทําอย่างนี้คือพูดแล้วก็อ่านความ รู้สึกเมื่อกี้ของพระองค์ท่านไม่ได้มันนึกเอาเป็นบุญคุณทําแล้วก็ทิ้งเยื่อใหญ่ทิ้งเยื่อใหญ่หมายถึงทิ้งความติดทําอย่างนี้ทําแล้วมีความสูงแล้วกลับมีอนุภาพมากด้วยคือเอาถ้าเป็นเรื่องประโยชน์คุณคุณก็รับไว้ตำนองนี้นะคุณก็ต้องรับผิดชอบเนี่บอกแล้วเราไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ต้องไปอ้างว่าทำบอกด้วยความปรารถนาดีสอนด้วยความราักไม่ต้องพูดหรอกครับ พฤติกรรมที่ถูกกำหนดด้วยความรู้สึกอันดีบริสุทธิ์เหล่านั้นจะออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือเองเป็นที่น่านับถือเองอย่างที่เรานับถือพระองค์ท้านด้วยความสนิทใจเนี่ยอันนี้จึงเป็นอันหนึ่งด้วยความกุณาและในข้อที่ว่าไม่เพ่งอามิตรแต่เมื่ก่อนก็มีนักเทศอย่างเระอุปนันธาเนี่ย ใครเรียกว่าใครจะนิมนต์ไปเทศแล้วก็บอกว่าจะถวายอะไรเท่าไหร่เนี่ยใครมากกว่ารับคนนั้นไม่กำลังถึงเหตุผลอื่นนะใครมากกว่ารับคนนะและบางทีรับคนอื่นแล้วนะคนอื่นมาให้มากกว่าที่หลังยังอุตสาห์ทิ้งทิ้งงานเทศงานแรกเลยไปรับอีกงานเขาดาวป่าอุปนัน tha ซึ่งเขเรียกว่าปราอุปนัน t า a ตากยาบุตรเป็นญาติพระพุทธเจ้าไดยซ้ำานี แต่ตอนหลังก็กลับเนื้อกลับตัวได้มีพรสวรรค์เทวเก่งแล้วก็คล้ายว่าคนเราเนี่ยประสบความสำเร็จขั้นต้นและกิเกลสมันเข้ามาเบี่ยงเบนทิศทางจกโหยโอกาสช่วงระยะหนึ่งแก้ไขได้ก็หาย่ในสูตรอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงก็ตรัสว่าแม้แต่ความเลื่อมใสก็อย่าไปกำหนัดในหนังสือหลายปีมาแล้วนะเดี๋ยวนี้จะอ่านให้ฟัง <c oughs> แล้วผู้มีวรภา ได้ตรัสว่าก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็แลกรัน ฟ, ฟังธรรมแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรมผู้เลื่อมใสซึ่งธรรมแล้วเท่านั้นจะพึงทำอาการเลื่อมใสต่อเราดังนี้ย่อมแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น ภิกษุทั้งหลายทำมาเทศนาของภิกษุเห็นป่านนี้แลไม่บริสุทธิ์นี่ไม่ได้เอาเงินเอาทองอะไรนะแต่คึกว่าเราพูดให้เลื่อมสายธรรมะแต่พอธรรมะเนี่ยมันออกมาจากเราเมื่อเริ่มสายธรรมะแล้วก็จะได้มาเลื่อมไปเราไม่บริสุทธิ์เลยทำมาเทศนานั้นไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุใดแล เป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่จะผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเรียกให้มาดูได้น้องก็ควรน้องก็ามาสู่ตนอันวิวนยูชนพึงรู้เฉพาะตนเนี่ยตั้งังความรู้สึกคนที่เป็นของดีธรรมะเนี่ยเป็นของดียังไงอย่างางี้โอ๋หนอชนทั้งหลาย พึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมก็แลครั้นรู้รู้ทั่วถึงธรรมแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเป็นผู้มีธรรมอันดีอาศัยความกาุณาอาศัยความเป็นดูอาศัยความอป็นดุรรพ์จึงแสดงธรรม ธรรมเทศนาของพิสูจเห็นปานนี้แลบริสุทธิ์นี่จะเห็นมาพระพุจารจ์าทันละเอียดมากเพราะคนเราเนี่ยโดยสรุปเนี่ยบอกว่าในลาภท า, างยุทธว่าการแสดงธรรมก็หนึ่งหวังลาบสักการะชื่อเสียงไอ้ลาบสักการะเนี่ยเป็นเรื่องของวัตถุลาบที่เขาให้ ไม่ใช่ด้วยอาการของความเคารพเป็นรากสักการะคือของที่เขาให้เพื่อเป็นอุปกรณ์เคารพด้วยเป็นสักการะชื่อเสียงในที่เนียนหมายไม่ได้แปล ว, ว่ารู้จักนันแต่หมายถึงความเลื่อมใสได้ยินเสียงแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบเรียกว่าชื่อเสียงเหล่านี้มันก็มีสองบางพวกก็อาจจะเอาทั้งหมดบางพวกก็เอาอันใดอันหนึ่ง บางพวกก็เลยรับประกาศมาแต่ยังติด ต, ดตาติดชื่อเสียงติดหน้าติดตาใครที่แสดงธรรมแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวอย่างนี้ธรรมะนั้นไม่บริสุทธิ์กนนีข้อว่าแสดงธรรมไม่กระทบตนกระทบผู้อื่นคืออะไรอย่างไรเรียกว่ากระทบตนกระทบผู้อื่น ตรงนี้นะในบทอธิบายเชื่อมต่อกับที่อื่นต้องมีความหมายพิสดารดีอย่างยิ่งแต่ในที่นี้เอาความแค่ว่ายกตนข่มท่านการยกตนข่มกันเนี่ยท่านบอกว่าหมายถึงการเอาคุณของตนเป็นเครื่องทำลายคุณคนอื่นนะหรือการพูดแก่งแยงว่ากาเจ้าเป็นผู้รู้จริงคนนี้รู้ผิด สำนักข้าว่าเจ้ารู้จริงสำนักอื่นรู้ผิดอย่างนี้นะ่ะอย่างนี้เรียกว่าพูดแข่งแย่งแย่งเก่งให้เรียกว่าแย่งเก่งแย่งรู้แย่งถูกแย่งดีแย่งความสําเร็จมีหลายอย่างที่บาลีใจข้ามาวิเครหา์คถาเพราะฉะนั้นอันนี้นะ่ะกลายเป็นเงื่อนไขทางคุณสมบัติหรือหายานสมบัติชั้นสูง ชันสูงเพราะว่าคนถ้าพูดธรรมะไม่เห็นแก่งเงินมันก็ก็ดีนะก็บขั้นหนึ่งแต่บางทีไม่เห็นแก่งเงินแต่เห็นแก่คือยังติดเรื่องของความติดหน้าติดตาติดความถูกต้องติดความอดเก่งํำนองเนี่นะก็มาอยู่ในข้อที่ห้านี้คงจะพูดได้ท่านี้สำหรับ ในคลาวหน้าเนี่ยจะเป็นอาเจลากาสูตรก็เป็นสูตรสำคัญใช่อีกแล้วลเกี่ยวกวับ เ, เรื่องอัตตาเรื่องอนัตตามีข้อที่จะต้องปีนิดเยอะอวันนี้ผมขอยุดตเท่านี้นะครับขอเชิญท่านนั้งหลายเอ